ที่แรกนึกว่าวันนี้จะงดแต่ก็อุ่นใจว่าเขารักษาความสงบใช่ไห ม, มแสดงว่าพวกเดียวกันเป็นส่งเสริมให้ทำสมถะม <laughs> ใช่ไหมสมถะแปลว่าสงบใช่ไห ม, มแล้วเขาก็กลัวว่าเราจะทำสมถะไม่เป็นเขาก็เลยเคอร์ฟิล เคอร์ฟิลเนี่ยคือให้รู้จักกลับที่อยู่บ้างมีวิหารธรรมหรือยังใช่ไหมมีมีมยังถ้ายังไม่มีนะพอเคอร์ฟิลไม่มีที่อยู่เพลน่านอยู่ตามถนนไม่ได้ล้วต้องมีวิหารธรรมถ้าไม่มีวิหารธรรมต้องต้องหาก่อนนะไม่งั้นก็ไม่สงบพอมีวิหารธรรมแล้วให้หัดเข้าบ้าน แล้วก็ดูออกมาเป็นเวลาไม่ใช่ออกจากบ้านตลอดต้องมีเวลากลับบ้านบ้างใครยังหาวิหารธรรมตัวเองไม่เจอมีไหมเวลาถ้าเราจะปฏิบททัติธรรม เอาให้เห็นผลกันจริงๆเนี่ยนะตัววิหารธรรมนี่สำคัญนะไม่ใช่ว่าไปที่หนึ่งก็สอนอย่างนี้ก็ว่าตามไปอีกที่ก็ว่าอีกแบบหนึ่งอนะไรเงมันไม่มีที่อยู่ที่ที่ชัดเจนเนี่ยนะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยเหมือนกับที่หลวงปู่ฟัน้นท่าน แนะนำพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งถ้ามัวแต่เริ่มต้นใหม่ อ, อาจารย์องนี้ดีว่าตามไปทำตามอาจารย์องนี้ก็ดีก็ทำตามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยหลวงปู่ฟันท่านเปรียบบอกว่าเหมือนกับปลูกต้นไม้มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเล็กๆเราจะปลูกให้มันใหญ่โตเอาไปลงตรงนี้เห็นว่าดีแล้วมีคนอื่นมาทักก็ เปลี่ยนใหม่อีกคนมาทักก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะปลูกย้ายที่ไปเรื่อยๆเนี่ยต้นไม้ไม่โตเผลอๆตาย <c oughs> นั้นถ้าเห็นว่าต้นไม้งอกงามดีแล้วก็หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือลดน้ำปวนดินให้ปุ๋ยกำจัดวัชพืช <c oughs> ใจไม่สงบ เพราะว่านิวรเรียนนิวรณ์เรียนรู้นิวรเหมือนคณะรักษาความสงบเนยกำจัดนิวรของบ้านเมืองเราก็กำจัดนิวรของแต่ละคนนิวรณเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันขัดขวางความสงบเนี่ยนะติดสุขการมาฉันทะเนี่ยติดสุขนั่งตรงนี้พอมัน พื้นแข็งๆหน่อยก็นึกถึงโซฟาที่บ้านอะไรเงี้ยติดสุขตรงนี้ไม่มีแอร์ก็นึกถึงห้องแอร์ติดสุขหรือว่านึกถึงเรื่องหรือนึกถึงหน้าคนที่ไม่ชอบใจก็ติดติดในความไม่ชอบใจทำไมถึงเรียกว่าติดเพราะนึกบ่อยใช่มถ้ามันไม่ติดนะก็คือคงไม่นึกถึงมาหรอก <laughs> แต่นึกถึงบ่อยแสดงว่าติด เคยไหมรู้สึกเวลาไม่ชอบใจใครเนี่ยไอ้หน้าคนเนี่ยผุดขึ้นมาเรื่อยเลยผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยนี่แสดงว่าติดติดสิ่งดีก็ได้สิ่งไม่ดีก็ได้ก็ติดเหมือนกันอาจจะไม่ดีหรืออาจจะเฉยๆแต่ว่าไม่สงบก็คือฟุง้งซ่านนี่ก็ฟุ้งซ่านทั่วไปหรือว่าดูด้วยความหมดแรงก็กลายเป็นถีนมิทธะ ทีน้ำมิถะเนี่ยหมดแรงแบบง่วงก็ได้หรือขี้เกียจก็ได้ขี้เกียจก็เป็นนิวร์ตัวหนึ่งรือทําไปแล้วสงสัยทํามาตั้งนานแล้วไม่เห็นก้าวหน้าเลยนี่คือสงสัยสงสัยในแนวทางสงสัยในวิธีการขณะที่สงสัยเนี่ยไม่สงบก็เป็นฟุ้งซ่านแบบหนึ่งฟุ้งซ่านหาคําตอบซึ่งไม่ได้คําตอบตอนขณะที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะไม่ได้คําตอบก็ฟุ้งไปไม่สงบ ถ้ารู้ทันว่านี่คือนิวรณ์ง่ายเลยมันจะไม่มีไม่มีอํานาจอะไรที่จะมาวงการจิตใจให้หาคําตอบอีกต่อไปเพราะรู้คําตอบแล้วว่ามันคือนิวรณ์ mm hmm. ตัวนี้เรียกว่าตัวขัดขวางความสงบพอรู้ทันตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีอยู่ขั้นตอนหนึง่งเหมือนที่เขา เคอร์ฟิแล้วก็ให้ฟังเพลงเดียวกันหมดเลยทั้งประเทศเนี่ยนะมันมันจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งคือต้องทนต้องทนหน่อยนะไม่ใช่พวกพอเขาเปิดเพลงทั้งเพลงเดียวทั้งประเทศแล้วทนไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีบา ร, รมีตัวหนึ่งคือขันติ เวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเจอสภาว่าอันหนึ่งที่ว่าเกิดซ้ำๆเกิดซ้ำๆเป็นไหมเคยใครเจอนิเนะเกิดซ้ำๆเมื่อไหร่จะพ้นไปจากตรงนี้ได้เนอะมันซ้ำๆตรงนี้ถ้าไม่ทนตรงนี้นะไม่ผ่านเหมือนกันต้องทนต้องทนง่ายๆเลยแค่คิดจะดูกายนิหายใจทําอนาปานะสติเนี่ยนะมันก็ซ้ำนะใช่ไหมมีอะไร มีลมเข้ากับลมออกมีลมอย่างอื่นอีกไหมไม่มีใช่ไหมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจริงๆก็คือซ้ำๆนะดูซ้ำๆถ้าดูซ้ำๆด้วยใจเป็นสุขได้ใช้ได้มีเด็กอยู่คนหนึ่งมาบวชอยู่ที่วัดพระท่านก็บอกว่าให้ให้พรโยมให้มีอายุร้อยปีจะมี มีบทให้พรของของพระนะเวลาให้พรสัตว์ซสสาจะอายุจะก็คือให้พรว่าให้มีอายุร้อยปีที่ที่วัดเนี่ยสวดด้วยปแปลด้วยเนงก็พอสวดเสร็จแล้วเลิกจากสาลาแล้วก็มาถามพระอยู่ร้อยปีมันดียังไงอยู่ร้อยปีมันดียังไงโยมอยากอยู่ไหมร้อยปีแล้วจะอยู่สักกี่ปีไม่อยากอยู่ร้อยปี เนนมาถามนะอยู่ร้อยปีมั้ดีงั้นถามกับพระเอา้าใครๆก็ยังไม่อยากตายเั่านั้นแหละก็อยากอยู่อายุยืนๆเนนไม่อยากอายุยืนเหรอนเนนก็บอกว่าอยู่ร้อยปีคงจะน่าเบื่อนะชีวิตมันซ้ำๆโยมรู้สึกไหมชีวิตมันซ้ำๆเนนก็บอกว่าอายุร้อยปีเนี่ย น, นะถ้าแกแล้วไม่ได้ทําอะไรอยู่กับบ้านก็ชีวิตซ้ำๆยิ่งถ้าป่วยนอน ก็ตื่นมากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนชีวิตมันซ้ำๆน่าเบื่อเนนคงไม่อยากจะอายุร้อยปีเท่าไหร่แต่ชีวิตเราเนี่ยซ้ำๆชีวิตเราเนี่ยนะซ้ำๆปรากฏการในจิตก็ซ้ำๆกิเลสก็ของเก่ารู้สึกไหมแต่เรารู้สึกว่าตอนที่รู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยมันไม่ได้ดูกิเลส มันดูอารมณ์อื่นมันไม่ได้ดูตัวกิเลสไม่ได้ดูตัวว่าเมื่อกี้นี้เป็นราคะนะเมื่อกี้นี้เป็นโทสะนะเมื่อกี้นี้ใจลอยนะไม่ได้ดูตัวกิเลสแต่ไปดูหนังนั่นไอ้นี่ใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าไปดูอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตท่านนังนั่นไอ้นี่นะมันเปลี่ยนนังไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยหนังนี่ไปเดี๋ยวไอ้นั่นมาเดี๋ยวไอ้นั่นมาเดี๋ยวไอ้นี่ไปอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่โทสะตัวเดิม ภาษาแบบเดิมลักษณะแบบเดิมภาษามีลักษณะอย่างนี้เหมือนเดิมคือไม่ชอบใจอารมณ์ที่กําลังปรากฏอยู่ราคะก็แบบเดิมจะเปลี่ยนเป็นน้องคนนั้นพี่คนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าอย่างนี้ถ้าหลงแต่ไปดูอารมณ์นะไม่ได้ดูกิเลสจะรู้สึกว่ามันไม่ซ้ํารู้สึกสนุกรู้สึกว่าโลกนี้ หน้าอยู่ต่อแต่ถ้าหันมาดูว่าปรากฏการณในใจมันเป็นกิเลสแล้วเกิดซ้ําๆมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าเบื่อหน่ายตัวนี้ไม่ใช่เบื่ออารมณ์แต่เบื่อปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวทุกเกิดขึ้นก็ชั่วคราวกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันก็ดับไปทุกเกิดขึ้นมารู้ทันดับไปโทสะเกิดขึ้นมารู้ทันดับไปเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาชั่วคราว แล้วซ้ำๆแต่ที่มันหลอกเราได้เพราะว่าไม่ทันดูไม่ทันดูปรากฏการที่เกิดขึ้นจริงไปดูอารมณ์ซึ่งอารมณ์เนี่ยเป็นตัวหลอกเป็นตัวหลอกนะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยถ้าเป็นคนก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยถ้าเป็นสัตว์ก็เปลี่ยนชนิดเปลี่ยนหน้ามาเรื่อย <c oughs> บรรยากาศก็เหมือนกันนะความคิดนึกอะไรก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องมาเรื่อย หนังจึงฉายได้แล้วมีคนดูอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อ ง, องแต่ถ้าเราดูละอ๋อก็ไปกระตุ้นกิเลส <laughs> ไปกระตุ้นกิเลสสามตัวเกิดขึ้นมาโลภโกรธหลงไม่ต้องเข้าโรงหนังเราก็มีกิเลสได้ <laughs> ก็ดูกิเลสนอกโรงหนังก็ได้ <laughs> ก็เลยเช่าซีดีมาดูที่บ้านใช่ไหมเป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งที่เกิดในบ้านได้ <laughs> ไม่ต้องเข้าโรงหนัง นี่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆแต่เราไม่เห็นจึงไม่เกิดปัญญาจึงยังไม่เบื่อโลกเมื่อจิตไม่เบื่อโลกตายแล้วก็ยังอยากเกิดอีก<ม>อยากเกิดอีกอยากมากินอีกอยากเกิดมาเป็นคู่คนนี้อีกอยากเกิดมาเป็นลูกคนนั้นอีกเป็นแม่คนนี้อีกเป็นพ่อคนนี้อีกหรืออยากเกิดมาแก้แค้นก็ <g ül> มีใช่ไหอยากเกิดมาแก้แค้น ชาตินี้ยังล้างแค้นไม่สาเร็จล้างยังไม่สะอาดใช่กระดาษชำระไปหลายม้วนแล้วก็ยังไม่สะอาดอยากจะชำระแค้นแค้นนี้ต้องชำระเหมือนของสกรปรกไงไมาดูเนาะแค้นนี่ดะิงแค่ชำระใจตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปตามตามหลังควานสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อตอนนี้ปฏิบัติการล้างแค้น กำลังมีอยู่ระวังให้ดีนะคนแค้นเยอะมันเกิดจากว่าปล่อยปล่อยให้ความไม่ดีพอกพูนมานานพอกพูนมานานมีพุทธพท์มีพุทธพท์กล่าวถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในอนาคตหมายถึงคงจะประมาณเดียเด๋ยวนี้แหละเพราะว่าท่านตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วบอกอนาคตเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยจะมีอันตรายเกิดขึ้นคือพระที่ไม่ได้พัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญา mm hmm. ท่านบอกสี่ตัวเลย่นะ จะมีพระที่ไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาแล้วท่านก็ยังไม่ศึกยังไม่ศึกหมายถึงว่าอะไรพรรษาก็มากขึ้นเรื่อยๆพรรษามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปเป็นอุปชายะคือให้บวชบวชให้กับกุลบุตรที่ต้องการมาบวช ท, ท่านเองไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิต ไม่ได้พัฒนาปัญญาเลยไม่มีอะไรไปสอนก็เลยไม่ได้สอนลูกศิษย์ในแง่ไตรศิขาสังเกตให้ดีนะคำสองชุดเนี่ยธรรมะสองชุดนี้ไม่เหมือนกันนะใกล้เคียงกันตัวอุปชาไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาจึงไม่ได้ไปสอนให้ลูกศิษย์ เรียนไตรสิกขาไตรสิกขาคืออธิสีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่เป็นอันตรายข้อที่หนึ่งขณะนั้นยังไม่เกิดแต่จะเกิดในอนาคตเราก็อยู่ในช่วงของอนาคตของพุทธในสมัยพุทธกาลนี่อันตรายข้อที่1อันตรายข้อที่สองพระองค์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นอุปชา ใ ห, ให้นิสัยให้นิสัยหมายถึงว่าเป็นอาจารย์ไปบวชที่อื่นแล้วก็มาอยู่กับที่นี่ที่นี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอุปชาแต่เป็นอาจารย์ให้นิสัยคือให้ให้ความดูแลคลุ้มครองให้การสั่งสอนอาจารย์ก็ไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาจึงไม่มีอะไร ไปสอนลูกศิษย์ในแง่ไตรศิขาคืออธิศีลศิขาอธิจิตตศิขาอธิปัญญาศิขางงไหมงงไหมนี่พยายามหลอกให้งงก่อน <laughs> เดี๋ยวเฉลยทีหลังมีมีทำสองชุดมีทำสองชุดแล้วอันตรายข้อต่อต่อไปก็คือว่าท่านเหล่านี้ก็ไม่ศึก <laughs> ไอ้ที่ไม่ศึกไม่ใช่ไปตัวอันตรายแท้แต่ตัวอันตรายคือว่าเมื่อท่านไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญาจึงไม่มีอะไรไปสอนให้ใครได้ศึกษาสมเรื่องคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเมื่อไม่ได้ไปสอนคนทั้งหลายก็ไม่ได้สนใจไม่สนใจเรียนพุทธพจน์โดยตรงไปสนใจเรื่องอื่น เบื้องแรกก็ไปสนใจกวีกวีเกี่ยวกับธรรมะการที่คนอื่นๆนอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพระสาวกมาเขียนธรรมะแล้วก็ไปสนใจห่างไปเรื่อยๆห่างจากคำสอนพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆไปสนใจหนังสืออื่นเรื่องราวอื่นไม่ต้องอะไรเราก็สังเกตดูได้ของเราเองนะ บอกให้ไปอ่านพระตาปีดกเนะี่ยเราเรารู้สึกตกใจแล้วใช่ไหมเป็นของยากสําหรับเราใช่ไหมแต่ถ้าไปอ่านเรื่องอื่นรู้สึกง่ายผูตย้ตระบริษัททั้งหลายทั้งสีเนะี่ยฝ่ายพระเองก็ไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วโยมเองก็ไม่มีคุณสมบัติด้วยก็เลยรักษาคําสอนของพระองค์ไม่ได้นี่เป็นอันตรายที่พระองค์พยากรณ์เอาไว้ตอนที่พระองค์แสดงนั้นแนหะท่านบอกว่า อันตรายนี้ยังไม่เกิดแต่จะเกิดในอนาคตต้องบอกว่าให้พุทธบริษัทเนี่ยช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลถ้ามีคำสอนอะไรที่ผิดเพี้ยนไปต้องเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่ใใสไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอย่างนี้ไม่ใช่เวลาทำอุเบกขาอุเบกขาอย่างเนี้ยแสดงว่าวางเฉยเฉยงโง่อุเบกขาเนี่ยนะคือ มีอะไรมากระทบตัวตนมีอะไรที่มากระทบตัวตนและ ว, วางเฉยแต่ถ้ามีอะไรมากระทบคําสอนไม่เฉยต้องแก้คุณสมบัติของผู้บริษัทที่ดีคือถ้ามีอะไรมาบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เฉยต้องแก่แก้ให้คําสอนเนี่ยถูกและตรงและครบถ้วนถูกตรงและครบถ้วนด้วยเหมือนอย่างที่ ท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยชีทิศถูกวะเนี่ยที่นี้ถูกแล้ท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยนะถ้ามีอะไรมาวิจารณ์ส่วนตัวท่านนะท่านวางเฉยท่านวางเฉยแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่คนเริ่มเข้าใจผิดสอนอะไรผิดๆนะแล้วมีคนไปถามท่านนะไม่เฉยป่วยอยู่ก็จะอธิบายเลยอธิบายอธิบายอธิบายตอนท่านอธิบายเนี่ยพลังท่านออกนะพลังท่าน ท่านมีมากขึ้นมาเลยแต่พออธิบายเสร็จนะลูกศิษย์บอกว่าท่านก็โศมไปอีกน้ำหนึ่งกันท่านป่วยป่อท่านไม่ค่อยดีพระเถระอย่างเนี้ยคือพระเถระที่พระพุทธเจ้าต้องการ <c oughs> คือไม่วางเฉยถ้ามีใครมาบิดเบือนคําสอนเมื่อมีใครมาบิดเบือนคําสอนหรือเมื่อเมื่อมีใครมาทําให้คนเข้าใจผิดในแง่ของพุทธพจน์ในแง่วิธีการปฏิบัติธรรม ไม่เฉยแต่ถ้ากระทบตัวเองมาดามาทอตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรเฉยเฉยได้ไม่เป็นไรเราก็ต้องอย่างนั้นนะอะไรที่มากระทบตัวเองตัวตนไม่เป็นไรทนได้สีทนได้ฝนตกไม่เป็นไรทนได้แต่ถ้ากระทบในแง่ความเป็นอยู่โดยส่วนรวมทาในแง่ของถ้าเกิด ในแง่ของเราเป็นประชาชนของประเทศนี้ถ้ามันกระทบทนไม่ได้อย่าไปทนต้องทำให้ดีขึ้นถ้าในแง่ของผู้ปรบริษัทถ้ากระทบในแง่ของคำสอนไม่ทนทนไม่ได้ต้องต้องต้องชี้แจงต้องชี้แจงให้เข้าใจนี่เป็นท่าน แสดงเอาว่าอันตรายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจากผิดเล็กๆน้อยๆแล้ไม่อยอมแก้จากเป็นพระไม่ได้ไม่ได้ฝึกตัวเองเมื่อกี้นี้พูดถึงธรรมะสองชุดชุดแรกเนี่ยมีอยู่สีข้อไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้พัฒนาปัญญา ทำชุดนี้เรียกว่าภาวนาสี่ภาวนาแปลว่าพัฒนาหรือเจริญมันจะเข้าใจมากขึ้นถ้าพูดคู่กันกันกบคำว่าไตรสิกขา ส, สิกขาคือศึกษาศึกษาสมข้อคือศีลจิตและปัญญาศึกษาแล้วจะได้ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยเราจะคุ้นกันใช่ไหมไตรสิกขาไตรสิกขาคือเรื่องที่จะเรียน เรื่องที่จะเรียนเนีมีสามเรื่องชีวิตเราเนี่ยมีจะมีเรื่องอยู่สามเรื่องที่ที่จะที่จะศึกษากันเลยนะศึกษาว่าเราจะรับรู้โลกนี้ยังไง ร, รับรู้แล้วมีปฏิกิริยากับโลกนี้ยังไงเรารับรู้โลกเนี่ยรับรู้ได้กี่ทาง6กทางใช่ไหมมีหกช่อง มีหกช่องเคยไปพูดเรื่องนี้นะที่อีกที่หนึ่งพูดเปรียบเทียบเหมือนกองทัพหกกองทัพพอหลังเวทีแล้วเนี่ยก็ถามท่านอาจารย์หมายถึงอะไรเนี่ยหมายถึงการเมืองหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยนะพอดีตอนนั้นเขาจะมีเตรียมเตรียมอะไรเดินขบวนหกสายอลไรเนะี่ยตมาไม่รู้เรื่องเลย ถามว่าท่านอาจารย์พูดเป็นนัยยะอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวพูดธรรมะนะหทาง6ทางที่เราจะรับรู้โลกเนี้ยก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6ทางนี่คือเรื่องของศีลศึกษาเราจะรับรู้โลกนี้อย่างไรแล้วเราไม่ได้รับรู้อย่างเดียวเรามีปฏิกริยาตอบโต้กับโลกนี้ด้วยปฏิกริยาตอบโต้กับโลกเนี่ย เราตอบโต้ได้กี่ทางติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอสามทางทางไหนบ้างโอ้ดีมากเลยใครมีคําตอบอื่นอีกไหมเรามีปริชญาตอบโต้กับโลกนี้สามทางทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเคยได้ยินไหมคุณไหม เวลาเราขอขมาใครก็เพราะว่าเราแสดงออกสมทางเนี่ยไปกระทบกระเทือนหรือไปล่วงเกินบุคคลนั้นด้วยกายกรรม3ามวจีกรรมสีมโนกรรมสามคุณไหมไปขอขมาใครเข้าบางังเล็บปะ <c oughs> เวลาขอขอมาเราก็จะขอขอมาอย่างนี้แหละเราจะล่วงเกินใครก็สามทางนี้แหละมีทางอื่นอีกไหมมีทางอื่นอีกไหมที่เราจะไปล่วงเกินใครไม่มีแล้วนะครอบคลุมหมดแล้วเราแสดงออกกับโลกนี้โลกนี้หมายถึงกับคนกับสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ทีนี้เราจะล่วงเกินใครเนี่ยก็จะมีทางกายทางกายมีอะไรบ้างท่านก็แบ่งเป็นใหญ่ๆก็คือบางทีก็ไปทำร้ายร่างกายหรือไปฆ่าเลยหรือว่าไปขโมยทรัพย์สินของเขาหรือทำร้ายทรัพย์สินของเขาหรือไปละเมิดคนรักหรือของรักของเขานี่นี่คือทางกายทางวาจาไปละเมิดอะไรบ้าง ไปพูดโกหกไปพูดทำให้เขาแตกกันไปพูดคำหยาบไปเขาเจ็บใจหรือพูดเพ้อเจ้อพูดที่ไม่จำเป็นทำให้เขาเสียเวลานี่คือไปละเมิดแค่แค่ทำให้เขาเสียเวลานี่ก็ละเมิดแล้วนะ <laughs> ระวังให้ดี <laughs> <laughs> แล้วก็ทางใจทางใจนี่โอ้โหเยอะแยะเลยเนาะแต่ท่านก็รวมรวมอยู่แค่เหลือแค่สามอย่าง ไปละเมิดด้วยโรคเพ่งเลงโรบเพ่งเลงอยากได้โรคเพ่งเลงอยากได้พยาบาทหรือว่าคิดผิดคิดไม่ดีรวมแล้วก็คือไปละเมิดด้วยสามทางศีลที่เราศึกษากันเนี่ยศึกษารวมหมดเลยรวมหมดทั้งทางตอนรับรู้โลกแล้วก็ตอนแสดงออกกับโลกเรียนไปหมดอย่างนี้เวลา จะวัดว่าศีลเราดีแค่ไหนมันจึงแบ่งจึงแบ่งเรียกอะไรแบ่งขณะที่จะตัดสนีนว่าเราพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับเป็นขณะขณะจิตเกิดดับเป็นขณะขณะขณะที่รับรู้โลกเนี่ยไม่ได้แสดงออกเข้าใจไหม จิตนี้เป็นขณะขณะนะเวลาปัจจุบันเนี้ยขณะนี้นะถ้ารับรู้โลกอยู่เนี้ยไม่ได้แสดงออกถ้าแสดงออกอยู่เนี้ยไม่ได้รับรู้โลกงงัหมใครงงบอกได้นะจิตเกิดดับเป็นขณะแล้วเกิดดับต่อเนื่องต่อเนื่องกันจิตขณะหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่หน้าที่เดียวจิตขณะหนึ่งทำหน้าที่หน้าที่เดียวถ้ารับรู้เช่นกาลังมองเช่นกาลังมอง ก็รับรู้แสงสีเข้ามาทางตาขณะนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะจ้องหน้าเพื่อจะดุใครหรือทำตาหวานใส่ใครเข้าใจไหมถ้าจ้องหน้าจะดุใครทำตาหวานใส่ใครเนี่ยเป็นการทากรรมขณะที่ทำกรรมขณะหนึ่งขณะที่รับรู้ไม่ได้ทำกรรมเป็นวิบากงงไหไม่งงนะขณะที่เรารับรู้ กับขณะที่เราแสดงออกกับโลกคนละขณะกันเพราะฉะนั้นเราจะวัดว่าเราพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนท่านจึงแบ่งท่านจึงแบ่งการตัดสินเป็นสองเรื่องเราจะพัฒนาด้านการรับรู้ได้ดีหรือไม่ดีท่านเรียกตรงนี้ว่ากายพัฒนาพัฒนาทางกาย เราแสดงออกกับโลกนี้ดีหรือไม่ดีท่านเรียกตรงนี้ว่าพัฒนาเรื่องศีลเรียกว่าศีลภาวนาศีลภาวนารึ่งแรกเป็นกายะภาวนาคือภาวนาทางพัฒนาทางกายในการแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของศีลเข้าใจไหมนึกออกไหมทั้ะนั้นตอนเรียนเนี่ยเรียนสามเรื่องศีล แล้วก็ปัญญาในศีลเองเนี่ยเรียนรวมๆไปเลยระหว่างรับรู้กับแสดงออกแล้วมาวัดว่าตัวเองนะพัฒนามากน้อยแค่ไหนตอนที่มันเกิดขึ้นจริงตอนเรียนได้เรียนรวมๆเรียนศีลสมาธิปัญญาหรือศีลจิตปัญญาเรียนรวมๆเรียก ว, ว, ว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเป็นไตรสิกขาไตรแปลว่า3ส า, สาอย่าง แต่ตอนที่มันมีการแสดงออกจริงหรือว่ามีการรับรู้อะไรจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกรับรู้อะไรถ้าเลือกเป็นแสดงว่าพัฒนามาดีไอตอนเลือกเป็นเนี่ยจะมีศัพท์อีกตัวหนึ่งเรียกว่าอินรียสังวรเคยได้ยินไหมอินรียสังวรอินรีแปลว่าความเป็นใหญ่ในการรับรู้อินรียสังวรเนี่ย ท่านก็มาเน้นเรื่องการรับรู้ห้าอย่างอะไรบ้างอะไรบ้างห้าอย่างรับรู้ตารับรู้ทางตารับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายมันจึงอยู่ในเรื่องของศีลอินทรียสังวร น, นะถ้าดูสิ่งนี้แล้วกิเลสเกิดบ่อยอกุศลเกิด กุศลไม่เกิดหลีกเลี่ยงอย่างนี้เรียกว่ามีอินทรียสังวรถ้าไปฟังอันนี้แล้วกุศลไม่เกิดอกุศลเกิดบ่อยก็หลีกเลี่ยงอย่างเรียกว่ามีอินทรียสังวรถ้ากินอันนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่อยากกินอาศัยอยากกินอย่างเดียวอร่อยกินกินกินอันนี้ไม่มีอินทรียสังวรไม่มีไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่อาศัยอยากกินหรือว่ากินแล้วโก้อะไรเงี้ยนะ อันนี้ไม่มีอินเสียสังวรไม่เป็นประโยชน์มันมาวัดตรงนี้การวัดผลว่าเราจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนมาดูตอนที่ว่าเรามีอินเสียสังวรมากน้อยแค่ไหนอินเสียสอินเสียสังวรเนี่ยเป็นตัววัดเรื่องของการพัฒนาทางกายพัฒนาทางกายไม่ใช่มาทำฟิตเนสมาอะไรซิกแพคอย่างี้นะไม่ใช่อย่างนั้น พัฒนาทางกายคือมาดูว่าเราเลือกที่จะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยได้ได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราเลือกรับรู้อาศัยตันหาเราเชื่อตันหาหรือเชื่อปัญญาในตัวนี้ถ้าเรามีปัญญาพอที่จะแยกแยะออกว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์รับรู้สิ่งนี้แล้วกุศลเกิดรับรู้ไป รับรู้สิ่งนี้แล้วอกุศลเกิดบ่อยมากกว่ากุศลหรือว่ากุศลไม่เกิดเลยก็เลียอย่างที่จะรับรู้ในเรื่องนี้เลี่ยงได้ตอนเลียกเนี่ยเรียกว่ามีอินทรียสังวรถ้าอินทรียสังวรทำได้ดีเรียกว่ามีการพัฒนาทางกายเพราะห้าทางเนี่ยคือเรื่องของกายตาหูจมูกลิ้นกายกายคือกายสัมผัสเนี่ยโพตะนี่คือเลือกรับรู้ ส่วนแสดงออกกับโลกทางกายวาจาและใจจริงๆทางใจเนี่ยนะมันยังไม่ถึงขั้นผิดศีลแต่จะแสดงออกทางกายและวาจาได้ก็มาจากทางใจก่อนใช่ไมแต่ตัวตัดสินว่าผิดศีลหรือไม่ผิดศีลเนะี่ยมาอยู่ที่กายและวาจาถ้าเราคิดลำพังคิดอยู่ในใจยังไม่แสดงออกเนี่ยยังไม่ถึงกับผิดศีลพอมาเรียน เรื่องจิตค่อยมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดกิเลสอะไรเมื่อกี้นี้เกิดกิเลสอะไรพอเรียนรู้เรื่องจิตดีแล้วก็เรียนให้ถึงขั้นว่าจิตเนี่ยให้มันมีกำลังสังเกตได้ว่าถ้าเกิดตอนไหนที่เราบางครั้งเหมือนเห็นอะไรชัดเจนเห็นอะไรชัดเจนดีตอนนั้นจิตมีกำลังตอนไหนรู้สึกทื่ ต, ตอนทื่อๆนะจิตไม่มีกำลังให้ฝึกดูจิตเคลื่อนจิตที่เคลื่อนคือมันออกจากที่อยู่ตอนนี้แหละเคอร์ฟิมีประโยชน์ <c oughs> <c oughs> คือต้องเข้าที่อยู่ก่อนต้องมีที่อยู่ของตัวเองก่อนถ้พาพอมันเคลื่อนออกจากที่อยู่รู้ทันเคลื่อนออกจากที่อยู่่รทันแต่ตอนเคอร์ฟิเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูให้ใช่ไหมแ้เราต้อง ต อ, ตอนฝึกของเราเนี่ยต้องดูเองต้องมีเจ้าหน้าที่จะคอยดูตัวนี้คือสติตัวสติที่จะดูว่าจิตมันเคลื่อนจากที่อยู่จิตมันเคลื่อนจากที่อยู่ต อ, อยตอนที่จะเห็นมันเคลื่อนได้เนี่ยหนึ่งต้องมีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่จิตมันเล่ร่อนอยู่เนี่ยนะจะไม่เห็นว่ามันเคลื่อนทั้งทั้งมันเคลื่อนอยู่ทั้งทั้งที่มันเคลื่อนอยู่แต่ไม่เห็นเพราะไม่มี หลักอะไรมาคอยเปรียบเทียบอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามองออกไปตามชายคาแล้วเห็นเมฆเคลื่อนเรารู้ว่าเมฆเคลื่อนได้เพราะว่าเทียบได้ว่าสาลานี้คงไม่เคลื่อนใช่ไหมสาลานี้คงไม่ได้เคลื่อนไปนไหนแต่ระหว่างสาลากับเมฆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันก็แสดงว่าต้องมีอะไรอย่างใดหนึ่งเคลื่อนเวลาเราอยู่อยู่กับวิหารธรรมของเรา วิหารธรรมก็คือกายที่หายใจอยู่สมมุตินะเห็นกายนี่หายใจอยู่กายที่หายใจเนี่ไม่ได้เคลื่อนไปไหนก็อยู่ตรงนี้แหละมันก็หายใจของมันอยู่นี้แหละแต่จิตเนี่ยเปลี่ยนที่รับรู้คือมันเคลื่อนจริงๆแล้วจิตมันเคลื่อนอยู่เรื่อยๆ ท, ทําไมถึงเคลื่อนมันหิวรู้สึกกันไหมใครรู้สึกนี้บ้างว่าจิตนี่มันหิวหิวอารมณ์มันคอยจะไปหาไล่งับอารมณ์รู้จักคําว่าอารมณ์ใช่ไหม อารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับจิตน่ะจิตคือสภาพที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิตจะไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์เพราะมันคู่กันถ้าเข้าใจเรื่องจิตแล้วจะเข้าใจเรื่องอารมณ์จิตคือสภาพที่รู้อารมณ์รู้ทางไหนบ้างรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ สิ <departed> sun, electric ่งที่ถูกรู้ทางตาคือแสงสีที่ถูกสิ่งที่ถูกรู้ทางหูคือเสียงสิ่งที่ถูกรู้ทางจมูกคือกลิ่นสิ่งที่ถูกรู้ทางลิ้นคือรสสิ่งที่ถูกรู้ทางกายคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแล้วนอกนั้นเนี่ยรู้ทางใจรู้ทางใจคือรู้อะไรรู้รู้มากมายเลยนะทางใจเนี่ยรู้สารพัดรู้เรื่องดีรู้เรื่องไม่ดี รู้เรื่องราวรู้กิเลสรู้ไปหมดเลยถ้ารู้กิเลสเนี่ยเรียกว่ามีสติแต่รู้เรื่องราวไม่มีสติรู้กิเลสเนี่ยคือว่ารู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจรู้เรื่องราวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างข้างนอกตอนรู้เรื่องราวเนี่ยนะหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตส่งออกท่านสอนตรงเนี้ยนะ จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นสำนวนครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อปราโมทเนี่ยท่านจะบอกว่าจิตเคลื่อนจิตมันเคลื่อนไปหรือจิตมันจิตไม่อยู่กับฐานสำนวนตรงนี้จะจะมีมากมายนะในการจะอธิบายสภาวะที่มันไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับเขาเรียกอะไรวิหารธรรมก็แล้วกัน จิตที่ไม่ได้อยู่กับวิหารธรรมที่มันเคลื่อนออกไปไปกินอารมณ์ต่างๆไปเสอวยอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะใครเป็นชาวบ้านก็เรียกกินอารมณ์ใครอยู่ไกลๆวังหน่อยก็เรียกเซอร์ไว้เสวยอารมณ์กินอารมณ์จิตมันหิวหิวอารมณ์เที่ยวไปดูเที่ยวไปฟังแล้วที่มากๆเลยคือไปคิดจิตมันทนไม่ได้มันอยากจะคิดมันหิวมันอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนเราถ้าหิวตอนนี้นะจะทนอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าใครบังคับไปอยู่จะโมโหหิ ว, หว จิตนี่ก็จะโมโหหิวถ้าถูกบีบบังคับให้อยู่กับที่จิตจะมันจะดิ้นรนดิ้นรนไปไปคิดไปนึกไปหาอารมณ์ไปหาอารมณ์าา ม, มาเสพไปหารูปมาดูไปหาเสียงมาฟังไปหาเรื่องราวมาคิดต่อบางทีเอาเรื่องเดิมที่อร่อยๆ อ, อ, อยู่เนะี่ยมาคิดต่อมาเติมต่อปรุงใหม่ปรุงอย่างเรียกว่ามันหิวในอารมณ์ถ้าเรา สังเกตเห็นธรรมชาติของจิตที่มันหิวอารมณ์อย่างนี้จะได้ปัญญาตัวหนึ่งขึ้นมาได้ปัญญาด้วยได้สมาธิด้วยได้สติด้วยเห็นว่ามันไปเองจิตเวลามันมีความหิวในอารมณ์แล้วมันเคลื่อนไปเองไอตอนเคลื่อนเนี่ยไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาตอนที่มันเคลื่อนไปเนี่ยนะเพราะมันไปด้วยกิเลสตัวหนึ่งคือตัณหา ไปด้วยความหิวในอารมณ์ตอนนั้นแต่ถ้ารู้ทันตอนรู้ทันเนี่ยหนึ่งได้สติคือรู้ทันสภาวะ 2. ได้สมาธิคือจิตเห็นความเคลื่อนและมันไม่เคลื่อน 3. ได้ปัญญาคือเห็นว่ามันเคลื่อนเองทำงานเองเป็นไปเองตรงนี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญเป็นขั้นตอนสำคัญของของพวกเราที่ว่า จะพัฒนาไปด้วยมากน้อยแค่ไหนก็ตรงที่ว่าเราจะมีสมาธิตรงนี้มากแค่ไหนเห็นจิตมันเคลื่อนได้บ่อยแค่ไหนเห็นจิตเคลื่อนครั้งหนึ่งเนี่ยได้คุณธรรมสำคัญสำคัญสาตัวขึ้นมาพร้อมกันมีสติและมีสมาธิและมีมีปัญญาให้ดูจิตเคลื่อนบ่อยๆแต่ถ้าดูไม่ได้ให้ดูสภาวะแท้ๆดูสภาวะแท้ๆก็คือว่า เห็นว่ามันมีความโกรธความโลภความหลงเห็นราคะโทสะโมหะเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่ไปดูว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไรใครเลวใครดีเห็นเขาเลวแล้วเกิดโทสะดูรู้ทันโทสะเห็นเขาดีแล้วเกิดราคะรู้ทันราคะแต่ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้ไปเห็นข้างนอกจิตมีปกติที่ต้องรู้โลกอยู่แล้วไม่ห้ามแต่สิ่งที่ทาเพิ่มขึ้นก็คือ หัดมาดูข้างในหัมาดูข้างในจิตมีสภาวะที่รับรู้โลกภายนอกอยู่แล้วแต่ถ้ามารับรู้แล้วชักจะแย่แสดงว่าเราไม่มีอินทรียสังวรก็ให้เลือกรับรู้ถ้ารับรู้เรื่องนี้แล้วมั น, มนฟุ้งซ่านก็มีอินทรียสังวรเลี่ยงที่จะมารับรู้เรื่องนี้รับรู้เรื่องนี้แล้วมันมีแต่ความโกรธคุกรุ่นอยู่ในใจ ก็เลี่ยงที่จะรับรู้เรื่องนี้ไม่ใช่ให้ฝังตัวอยู่กับความโกรธอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนี้แล้วราคะเกิดยากปฏิบัติยากเลี่ยงจากตรงนั้นซะมีครูบาอาจารย์เล่าท่านให้พระพระเครื่องพระเครื่องหลวงปู่แหวนให้กับคนหนึ่งคนนั้นก็ไปให้อีกคนหนึ่งต่อ แล้วท่านก็ไอคนที่ได้รับต่อไปเนี่ยมาหาท่านท่านก็มาดูไอพระเครื่ององค์นี้ทำไมหมองจังตอนให้ไปเนี่ยพลังเยอะเลยท่านคงใช้ตาทิพดูนะดูแล้วแต่ตอนนี้ทำไมหมองจังก็ตรวจดูอ๋อมันไปเที่ยวสถานบริการแล้วม่ยอมถอดพระไว้ที่บ้าน แค่เนี้ยพาไปที่อะโครจรพระท่านก็เลยกลับวัดมนะั้ง <laughs> พระไม่อยู่ด้วยเหมือนหลวงพ่อคูเนี่ยนะหลวงพ่อคููบอกว่าแขวนพระเราแล้วขับรถเร็วๆท่านก็กลับวัดเหมือนกันไปก่อนแล้วไม่ยอมอยู่ไม่ยอมรักษาตัวเองพระท่านก็ไม่อยู่มงคลก็หายมงคลก็หายไปวัตถุที่เคยเป็นของมงคลพาไปในที่ที่สกปลก ทานก็ไม่เอาด้วยสกปรกในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีศีลแต่กายเนี่ยสกปรกอยู่แล้วกายเนี่สกปรกอยู่แล้วนะแต่วิธีดูว่าพระจะอยู่กับเราหรือไม่เนี่ยดูที่ว่าเราพาไปในที่ที่จเจริญหรือเปล่าไปที่ที่ควรไปไหมทางภาษาพระเรียกว่าโค จ, จรโคจระโคจรถ้าไปในที่ที่ ไม่น่าไปพระท่านก็ไม่ไปด้วยไม่ไปแล้วก็ไม่ไปเลยไม่กลับมาด้วย <g ül> ดังนั้นถ้าจะให้ถ้าจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเรานานๆเราก็ควรจะเลี่ยงสถานที่ที่ไม่น่าไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินทรีย์สังวรจะดูว่าเราพัฒนากายได้แค่ไหนดูพัฒนาศีลได้แค่ไหนพัฒนากายคือ ติดต่อโลกทางด้านกายภาพจะรับรู้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายจากโลกนี้เราเลือกได้ถ้าเราเลือกได้ดีก็พัฒนาด้านกายแสดงออกกับโลกได้ดีก็พัฒนาด้านศีลส่วนจิตเนี่ยจิตกับปัญญาเนี่ยตรงๆในการที่ เ, เรียนศึกขาคือจิตตศึกษาและศิลศิกขาจิตติศึกษา ศึกษาได้ดีก็มีการพัฒนาทางจิตได้ดีแล้วมีจิตภาวนาศึกษาเรื่องปัญญาคือเห็นเห็นสภาพตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายศึกษาเรื่องจิตคือพัฒนาให้จิตมีคุณภาพจิตไม่เคยมีสติเลยให้มันมีสติมีความรู้ตัวขึ้นมาจิตไม่เคยมีความตั้งมั่นเลยทําความตั้งมั่นให้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้จิตไม่มีคุณภาพในด้านดีๆก็พัฒนาคุณภาพด้านดีเช่น ให้มีเมตตามีกรุณามีความอดทนมีความเพียรอย่างนี้นะมีศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าพัฒนาเรื่องจิตศึกษาเรื่องจิตเห็นความเป็นไปในจิตและพัฒนาในสิ่งที่ดีๆขึ้นมาอย่างนี้ศึกษาจิตตสิกขาศึกษาดีแล้วจะมีจิตตะภาวนาศึกษาเรื่องปัญญาคือให้เห็นตามความเป็นจริงจิตมันเป็นอย่างนี้มันมี การทํางานก็มันอย่างนี้มันคอยจะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างคอยจะเคลื่อนไปไม่อยู่นิ่งเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงอยู่นิ่งไม่ได้คือเป็นทุกข์และที่มันทําทุกอย่างเนี้ยเป็นไปเองมีเหตุก็เกิดมีเหตุก็เป็นไปอย่างนี้หมดเหตุก็ไม่มีอย่างนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยศึกษาอย่างนี้จนเข้าใจเรียกว่า มีปัญญาภาวนาพระอรหันต์เป็นผู้ที่ภาวนาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ที่มีกายภาวนาแล้วเป็นผู้ที่มีสีลภาวนาแล้วเป็นผู้ที่มีจิตตภาวนาแล้วเป็นผู้ที่มีปัญญาภาวนาแล้วมาจากที่ท่านได้ศึกษาสามเรื่อง <c oughs> สีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาสามเรื่อง แล้วมาวัดการพัฒนาของตัวเองจากกายศีลจิตและปัญญางงไหมเนี่ยงงไหมพูดถึงเรื่องสองเรื่องนะชุดหนึ่งมีสี่ข้อคือภาวนาสี่ชุดหนึ่งมีสามข้อคือศิกขาสามแล้วพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในครั้งเดียวกันเลยคือตรัดเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าพระที่ไม่ได้พัฒนาสี่เรื่องจึงไม่ได้ไปสอน ลูกชาวบ้านสามเรื่องถ้าพูดเป็นชุดๆอย่างเงี้ยจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ตัวเองไม่ได้พัฒนาสี่เรื่องนี้จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสอนคนอื่นในเรื่องสามเรื่องนี้ไม่มีพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาวนาสี่ข้อจึงไม่มีอะไรจะไปสอนในเรื่องของไตรสิกขาเมื่อไม่ได้สอนกุลบุตรที่มาบทภายหลังพระใหม่ท่านก็ยังไม่สึกท่าน ก, ก็กลายเป็นพระเถระ ที่ไม่ได้พัฒนาสี่เรื่องแล้วเลยไม่มีอะไรไปสอนใครในเรื่องไตรสิกขามันเลยเป็นอันตรายอันตรายจริงๆนะพระพุทธเจ้ามองในแง่นี้นะว่าไม่สามารถรักษาคำสอนของพระพุทธเจา้าไว้ได้บวชก็จริงแต่แก่นไม่มีตัวแก่นคำสอนที่จะบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อพ้นทุกวิธีการทำยังไง ไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ก็บวชอยู่ยงั้นเองแล้วก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไปทำอย่างอื่นเพราะว่าชีวิตมีอยู่นีนะมันก็ถ้าทำถูกไม่เป็นมันก็ไปทำผิดมมันไม่ได้อยู่เป็นรูปปั้นเนี่ยถ้าอยู่เป็นรูปปั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่หมแต่ชีวิตมีอยู่มันก็จะมีปฏิกิริยากับโลกต่อไปรับรู้โลกอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีปิฎยาปฏิกิริยาโต้อตอบกับโลกตอนรับรู้โลกถ้าไม่ได้ฝึกมาก็ ไม่ได้ภาวนาข้อที่หนึ่งคือไม่ได้พัฒนากายก็รับรู้เละเทะรับมาเลยรับเละเ <c oughs> รียกว่ารับเละตอนแสดงออกก็แสดงออกไปตามกิเลสทํากายกรรมทําวจีกรรมทํามโนกรรมไปตามกิเลสไม่ได้มีสติไม่ได้ระแวดระวังสิ่งที่จะต้องแสดงออก <c oughs> เมื่ออย่างนี้แล้วรุ่นอุปชาก็ทำกันมารุ่นอาจารย์ก็ทำกันมาอลูกศิษย์ที่โตมาก็ทํากันอย่างนี้ก็ ไม่มีรูปแบบไม่มีตัวอย่างก็ทำตามๆกันต่อๆไปอันนี้ก็เรียกว่าใกล้เคียงกับทฤษฎีฝรัง่งทฤษฎีฝรั่งอันหนึ่งเรียกว่าทฤษฎีกระจกแตกเคยได้ยินไหมทฤษฎีกระจกแตกถ้ามีสิ่งเสียหายแล้วไม่แก้ไขพวกเลวๆจะได้ใจ พวกเร็วๆจะได้ใจเขามีทดลองทีแรกไม่ได้ทดลองลอะมันมีเรื่องเกิดขึ้นจริงบ้านหลังหนึ่งกระจกแตกสองบานจะแตกด้วยอะไรไม่รู้ก็อาจจะเป็นเด็กมันเล่นกันแล้วก็อาจจะเล่นบอลแล้วบอลไปกระทบกระจกแตกเลยนะแล้วบ้านหลังนั้นมันได้รับการซ่อมแซมเด็กที่เล่นแถวนั้นก็ดูโอ้ไม่มีคนอยู่ ไม่มีคนดูแลทั้งทั้งที่บ้านเนี่ยต้องมีเจ้าของใช่ไมแต่ว่าเจ้าของไม่มาซ่อมเด็กก็เข้าใจละมีการเรียนรู้ว่าทาแตกแล้วไม่มีใครซ่อมแสดงว่าไม่มีคนดูแลไม่มีคนห่วงแหนก็เล่นเล่นต่อไปก็คือทดลองความแม่นทดลองความแม่นอา้าวบ้านนูน้นเตะปุง้งพลาดโอโไม่ได้เรื่องเตะปุง้งโดนเอ hey! เล่นไปจนทุกบานในบ้านหลังนั้นแตกพอบ้านแตกแล้วก็ขโมยก็งัดอันนี้คือเป็นทรฤษีอันหนึง่งบอกว่าถ้ามีสิ่งเสียหายเกิดขึ้นแล้วไม่รีบแก้ไขความเสียหายนั้นจะบานปลายจนย่อยยับ <c oughs> เขาก็ทดลองนะทดลองฝรั่ง ได้ทฤษฎีนี้มาก็ไปทดลองเอารถสองคันรถแพงๆรถยี่ห้ออเมริกาแพงๆไปจอดในเมืองเดียวกันแต่คนละย่านย่านที่คนคุณภาพน้อยคุณภาพต่ําที่อะไรอะยากจนแล้วก็มีอาชญากรรมมากจอดคันหนึ่งนะยี่ห้อเดียวกันลักษณะเดียวกันอีกคันหนึ่งไปจอดในที่ที่ ชนชั้นสูงชนมีการศึกษาที่ที่สงบเรียบร้อยอาจจะเทียบแล้วก็อาจจะแถวๆนี้มาจอดไว้ผ่านไปวันเดียวไอายา้ย่านย่านคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยรถจอดได้คืนเดียวถูกงัดแล้วงัดแล้วงัดอีกงัดแล้วก็อีกผ่านไปเจ็ดวันโหย่อยยับ เพราะว่าวันแรกถูกงัดแล้วก็ไม่มีใครไปดูแลวันที่สองก็ไม่มีใครดูแลก็เล่นเลยเล่นซะเยินเลยส่วนในย่านผู้ดีเนี่ยจอดเจดวันไม่มีใครทําอะไรเลยก็ทดลองต่อไอ้เจ้าของรถที่เอามาจอดนั่นแหละเป็นอาจารย์นะไปกับลูกศิษย์อ้การทดลองนี้เห็นแล้วว่าไอย่านย่านคนจนย่านที่อาชกรรมเยอะๆเนี่ยจอดบ้านเดียว ถูกงัดเลยแล้วยิ่งจอดนานยิ่งไม่มีใครดูแลยิ่งเละเลยแต่ย่านผู้ดีจอดแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นคงสภาพเดิมอาจารย์กับลูกศิษย์ก็ทดลองเอาไม้ไปตีรถตัวเองให้บุกปึง้งแล้วก็ไปวันรุ่งขึ้นถูกงัดรถถูกงัดวันรุ่งขึ้นอีกวันต่อๆไปอีกงัดงัดมากขึ้นเพราะ คนเรียนรู้แล้วว่ารถคันนี้ไม่มีใครดูแลทำอะไรก็ได้แม่อยู่ในย่านผู้ดีเหมือนจอดทิง้งและคนก็รู้สึกว่าเกะกะเข้าใจไหมไม่มีเจ้าของดูแลไม่มีใครมาดูแลมีของเสียหายเกิดขึ้นแล้วยังไม่มาซ่อมแซมคนผู้ดีก็ยังรู้สึกว่าไอ้รถคันนี้เกะกะถ้าเป็นประเทศถ้าเป็นประเทศถ้ามีอะไรที่ไม่ดี แล้วไม่รู้จักแก้ไขมันก็จะเละจะเละโจรก็จะรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ทําแล้วไม่เห็นใครทําอะไรได้เลย <c oughs> ก็ได้ใจยามใจครับไอค้คนนี้ทําได้ไดอค้คนนั้นก็ทําได้ก็ยิ่งก่อความเดือดร้อนมากขึ้นมากขึ้นชี้ไม่ได้ชี้ใครนะชี้ลอยๆนะ <c oughs> และเขาเอาไปใช้คนได้เอาไปใช้จริงๆเนี่ยที่นิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นเมืองน่ากลัวก่อนหน้านั้นเป็นเมืองน่ากลัวคนคดีฆ่าคนตายมีเกือบพันคดีอาชญากรรมทั่วๆไปก็มีหลายพันเขาก็เอาไปใช้ที่เขาเรียกอะไรนะนายกเทศมนตรี ของนิวยอร์กเนี่ยเขาเรียกยังไงก็ไม่รู้นะถ้าเป็นกรุงเทพก็เป็นผู้ว่าใช่ไหมที่นั่นไม่มีผู้ว่ามั้งแต่เป็นผู้นําของที่นั่นอ่ะผู้บริหารของที่นั่นขอทดลองใช้ทฤษฎีนี้เขาทํำยังไงเขาออกกฎจริงไม่ได้ออกกฎทํากฎที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้มีผลจริงก็คือไปไล่เก็บไอ้พวกขึ้นรถไฟฟรี ไม่มีตัวพวกที่ฉี่ข้างกำแพงพวกที่ไปพ่นก็ เ, เรียกแล้วฮะพ่นศิลปะตามกำแพงกะกราฟฟิตี้ อ, อกราฟฟิตี้ตามกำแพงไปไล่จับพวกนี้คนในเมืองก็วิจารณ์ไปทำอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยมาผิดทางแล้วทำไมไม่ทำอากรรมใหญ่ๆ่ท่านผู้นำคนนี้ก็บอกว่า ขอทดลองขอทำตรงนี้บรรยากาศขณะนั้นก็คือมีภาพมีภาพข่าวปรากฏอยู่เสม อ, สมอว่าใครคือรถเมค์อึรถไฟฟรีถูกจับใครทำสกปรกใครมาฉีถูกจับจับมือนะอ <laughs> ใครทำสกปรกพ่นสีถูกจับคนทำผิดเล็กๆน้อย ถูกจับบรรยากาศเมืองกลายเป็นดีขึ้นขนาดเล็กๆน้อยๆ ย, ยังโดนเลยบรรยากาศของอาญกรรมมันมาจากที่ว่าทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่ามันก็พัฒนาให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอคนนี้ทดลองอยู่ในสมัยนั้น5ปีอาญกรรมลดเหลือหนึ่งในสา อาชญากรรมที่เคยมีมากๆแล้วเมืองกลายเป็นเมืองที่น่ากลัวเนี่ยนะกลายเป็นเมืองหน้าอยู่นิวยอร์กเดี๋ยวนี้ก็คงกลายเป็นเมืองหน้าอยู่เพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ถึงกับเป็นอาชญากรรมเลยแค่ฉี่ต่างกำแพงและเหม็นคลุงเนี่ยนะเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมในเรื่องที่ว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่ปล่อยเฉยวางเฉยดูแลบ้านเมืองเขาก็ใช้วิธีนี้ เอาเรื่องแม้เรื่องเล็กน้อยแล้วเรื่องใหญ่ๆจะถูกบรรยากาศแบบเนี้ยบีบบังคับว่าเฮ้ยทําไม่ได้เขาดูอยู่ทำไม่ได้เขาดูอยู่เพราะว่าเรื่องเล็กน้อยเขายังดูเลยพวกเราเหมือนกันผิดเล็กๆน้อยก็ไม่ยอมนะอย่าให้อย่าให้ท้ายตัวเองเข้าใจไหมอย่าให้ท้ายตัวเองผิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น พูดอะไรผิดเล็นกน้อยถ้าไปกระทบใครรู้ให้เร็วไปขอขามาให้ไวๆทําอะไรไม่ดีไปกระทบกับใครให้รู้ให้ทันแล้วไปขอขามาเขารู้ทันก่อนนะรู้ทันตัวเองผิดจริงๆแล้วไปขอขามาไม่ใช่เห็นคนอื่นขอขามาก็ไปขอด้วยแล้วก็กูขอทําไมว่าไม่รู้เรื่องขอขามานั้นฝาว <laughs> เพราะตัวเองไม่เห็นอะไรว่ามีความผิดอะไร ใชไ่ไปขอตามตามเขาอันนั้นฝาวเห็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงระลึกได้สำนึกถึงความผิดและขอขมานี่เป็นหัวใจของการขมาขอขมาโทษเห็นความผิดที่ตัเองทำํำสำนึกได้ไปขอขมาแล้วตั้งใจจะไม่ทําอีกความผิดแม้เล็กน้อยถ้าเราเห็นถ้ายิ่งเห็นได้แสดงว่าเรามีการพัฒนามาก ถ้าต้องทำผิดใหญ่ๆจึงจะเห็นแสดงว่าแย่มากต้องไปฆ่าเขาจึงจะรู้ว่าตัวเองผิดเียใช่ไม่ได้การพูดกระทบแม้เล็กน้อยถ้ารู้แสดงว่าเราละเอียดศีลของพระภิกษุเนี่ยนะจะมีศีลข้อที่หยับหยาบกับศีลข้อที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปใครรักษาได้แค่ปราชิก4ข้อ ยังไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญประการที่สี่ข้อคือไปเสพเมถุนรู้จักเสพเมถุน์ไหมไปล่วงประเวณีไปมีเพศสัมพันธ์อะไรก็เนี้ยกับไปฆ่าคนแล้วก็ไปขโมยของทรัพย์สินเกินกว่าห้ามาศห้ามาศกอยู่โยมมันจะงงแล้วมาตรฐานประเภทประเทศอะไรห้ามาศเนี่ยท่านเทียบว่ามีค่าเท่ากับทองคําหนัก ยี่สิบเมล็ดข้าวเปลือกข้าเปลือ ก, อกรู้จักไหมข้าวเปลือกข้าวเปลือกแบบอิ น, นเดียยี่สิบเมล็ดข้าวเปลือกไทยไม่รู้เม็ดเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ทองคําหนักเท่ากับข้าวเปลือกยี่สิบเมล็ดถ้าไปขโมยของที่มีมูลค่าเท่านั้นถือว่าเป็นประราชิกแสดงว่าหยาบมากเลยนะพระองค์นั้นนะหยาบมากเลยแล้วก็ ข้อสุดท้ายเลยนะพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงในตัวเองที่ไม่มีจริงด้วยนะพูดอวดใครโกรหกถึงขั้นว่าอวดอุตริมนุษสธรรมถ้าเป็นพระก็ขาดจากความเป็นพระนั้นพระที่ผิดห ย, ยาบๆสี่ข้อเนี่ยก็สมควรที่จะศึกไปซะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าผิดทั้งสี่ข้อนะข้อใดข้อหนึ่งก็ควรไปได้ละพระลูเจ้าบอกว่า ใครผิดทั้งสีข้อแล้วเป็นผู้แพ้และเป็นผู้ปลาชัยข้อที่ผิดนี้ถ้าใครผิดผู้ปลาชัยเนี่ยภาษาบาลีว่าปาราชิปาราชิาาชผู้ปลาชัยพ่ายแพ้แต่ไม่ได้ห้ามเป็นคนให้เป็นคนต่อไปแต่อย่าเป็นพระเลยแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นก็จะถึงขั้นสังฆาธิเศษก็ไม่ทำพูดโกหกอะไรเรื่องอื่นก็ไม่ทำไม่พูด ละเมิดรายข้อเล็กๆน้อยๆก็ไม่เอายิ่งถึงขั้นรักษาได้แม้กระทั่งทุบภาสิทธ์คือพูดหยอกล้อพูดล้อเลียนพูดเพอเจอร์อพวกนี้ถ้ารักษาได้ถึงขั้นนี้ละเอียดที่สุดเลยรักษาได้แม้กระทั่งเรื่องของการกระทําผิดมารยาทอะไรต่างๆเช่นกินข้าวแล้วเสียงดังซู้ๆจับๆอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของผิดศีล น, นะถ้าระวังเรื่องนี้ได้ละเอียดมาก พวกเราก็ดูรายละเอียดของเราว่าผิดเล็กๆน้อยๆของเรายิ่งดูได้แสดงว่าจิตของเราเริ่มละเอียดมากขึ้นแต่เข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นเข้าใจไหมการปฏิบัติเนียนะเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปลนกับคนอื่นไม่ใช่ไปจับผิดคนอื่นไปจับผิดคนอื่นว่าคนนี้ทำอย่างนี้ทังนี้ทั้งนี้จริงๆแล้วตัวเองเนะี่ยไม่ได้ดูตัวเองเลย การปฏิบัติคือเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นใครทำอะไรไม่ดีให้อภัยให้อภัยเขานะแต่ถ้าการทำไม่ดีของเขาเนี่เพียงแค่ไม่ดีของเขาเองหรือกระทบกับเราให้อภัยแต่ถ้าการทำไม่ดีนั้นมากระทบกับคําสอนไม่ยอมมากระทบกับคำสอ น, ม, อ ม, ม, าสอนมากระทบกับความมั่นคงทางพระาศาสนาอย่างนี้ะ ความมั่นคงทางศ า, าสนาคือยังรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้ามากระทบกับความมั่นคงทางศ า, าสนาไม่ยอมต้องตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบทางศ า, าสนาขึ้นมา